บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกับประทานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ได้กล่าวมาแล้วโดยนนยะต่างๆและโดยวิธีการต่างๆนั้นเพืสังเกตว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วเป็นหลักการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรง ทำหลักของพระพุทธศาสนาและผลที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงนั้นเป็นการเพิ่มพูนตัวปัญญาใ น, นในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนกุศลประเภทเดียวกันขึ้นอีกเป็นอันมากพร้อมๆกับการลดละการจางไปคลายไปของกิเลส ท, ที่ตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเหล่านั้น การเทศการสอนการแสดงของพระบุทธเจ้ า, าจึงเป็นเพียงอุบายยวิธีในการจะ น, นินแนะนำชี้แจงบุคคลทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติโดยวิธีนั้นนั้นที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นฐานของเขาแต่ผลจะออกมาในลักษณะเดียวกันเมื่อปฏิบัติถึงจุดเดียวกันพรรรมคราวท่านอุ ป, ปมาธรรมะเมญกยาจะเรียกว่าเป็นโอสถอันประเสริฐ พระพุจ้ประทมประสงค์ซึ่งเป็นรัตนตรัยนั้นถือว่าเป็นโอสถอันประเสริฐและถือว่าพระพุทธเจ้าก็จะทุกประทมก็จะภัยประสงค์ก็จะโรคซึ่งโดยรวมแล้วก็คือความทุกข์ที่ไม่มีใครต้องการในโลกคําสอนจึงออกมาในแนวของความทุกข์และก็การดับทุกข์เป็นหลักการสําคัญ แต่ทุกเองมันก็มาจากเหตุปัจจัยการนทุกเองก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยจากใดที่บุคคลยังสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์อยู่ความทุกข์ก็จะดับไปไม่ได้เมื่อต้องการจะดับทุกข์ก็สรงสอนในรูปของการสร้างเหตุ ส, สร้างปัจจัยให้เกิดการดับทุกข์ความระทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาได้ปริยายนุทธรรมะที่จงจําแนกแสดงอาจจะมองในรูปของการใช้ปัญญาเป็นหลัก พยายามพิพนิษฐพิจารณาปราบใจยอมรับความจริงของสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เ ร, เรียกว่าเป็นแนวของการเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญาเป็นหลักพิจารณาจนรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ที่ควารู้เท่าทันตามความเป็นจริงสามารถปรับจิตให้เหมาะควรแ ก, กร่กรณีนั้นๆได้สมอที่จริงลักษณะเหล่านี้เราก็มีคุณสม บ, บัติเหล่านั้นอยู่แล้วภายในใจเรา การใดก็ตามที่เรารู้เห็นตามความเป็นจริงและใช้ถูกถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมแก่ความเป็นจริงในฐานานนั้ น, น, นเราจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นแม้ในการรับประทานอาหารมันก็เป็นอาการของธรรมะที่ปรากฏได้อย่างชัดเจนเ ร, รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอาหารอะไรเป็นอะไรจะรับประทานเข้าไปนั้นมีวิธีการรับประทานอย่างไร แล้วปฏิบัติโดยเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีดนั้นๆนั้นก็กลายเป็นความเรียบร้อยสวยงามกลายเป็นความถูกต้องกลายไม่เป็นมันญาติกลายเป็นความรอบรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นๆแต่ถ้าหากว่าไม่เคยรู้เห็นตามความเป็นจริงใช้ผิดใช้พลาดมีวิธีเหยียบวิธีทานวิธีตักไม่ถูกต้องเหมาะสมก็สูญเสียคุณลักษณะของความเป็นผู้ดี เป็นการแส ด, แดงว่าแม้แต่เราเดินเหินไปบนถนนหุนทางพราะก็อาศัยการรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าที่เหยียบขับไปตรวไหนควรเหยียบตัวไหนไม่ควรเหยียบตัวไหนควรเหยียบนหนักๆคนไหนคนเหยียบเบาคนไหนจะอ้อมตรงไหนควรจะจุดก็ใช้ตัวความระลึกรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นๆบางกรั้าคราวสถานที่ตรงนั้นเราชํานาญเดินไปเดินมาประจํา ดูแลคล้ายๆจะไม่ต้องใช้สติสมัมปจนยะอะไรแต่จริงแล้วอาการของสติสมัมปจนยะความเพียรความอดทนความเชื่อมั่นเป็นต้นนั้นได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีความเคลื่อนไหวเป็นไปตามเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆแต่บางครั้งบางคราวเราก็พบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ห้องน้ําเกิดขึ้นที่บ้านของเราเกิดขึ้นที่นอกชาญเกิดขึ้นที่หน้าบ้าน เลเพล อ, อ, อาจจะเกิดขึ้นที่ห้องนอนโดยซ้าไปสแสดงว่าในขณะนั้นๆสติสมัมผัจันทร์ยากมันเกิดขาดการตั้งใจระมัดระวังการสวบรวมระวังมันหย่อนควรจะใช้ได้เมื่อเกิดใช้ไม่ได้แต่ไม่ถึงกับไม่มีสติสมัมผัสจันทรไปเลยโดยตัวอย่างหลักฐานที่ปรากฏมีการศึกษามีการสำรวจกันพบว่าชีวิตคนแต่ละคนที่เกิอดอุบัติเหตุนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในที่ไกลแล้วเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองเป็นหลักแล้วเกิดขึ้นที่บ้านเนี่เป็นหลักซึ่งก็หมายความว่าแม้มีความชำนิชำนาญแต่ถ้าหากว่าขาดการศึกษาการสําเนียงการระบัดระวังก็พร้อมที่จะเกิดปัญหาเกิดมาได้ทั้งนั้นในการศึกษาเปื่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นการเสริมสร้างภูมิจิตของบุคคลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นอาการว่าที่จริงมันไม่ได้มีเฉพาะตัวภูมิจิตภูมิจิตมันเป็นอาการแต่ที่จริงมันเริ่มมาจากภูมิรู้เสริมสร้างภูมิธรรมกายเป็นภูมิจิตที่คุ้มครองจิตรักษาจิตสามารถป้องกันจิตจากอารมณ์ที่เป็นฆ่าศึกได้สามารถขจัดสิ่งที่อุปสรรคอันตรายของจิตได้ อย่าน้อยก็ลดละบันเทาให้จางไปคลายไปสงบไปสามารถที่จะเสริมสร้างพัฒนาให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นภายในจิตตลอดถึงรักษาคุณธรรมความดีเหล่านั้นเอาไว้ในสถานการณ์ปกติในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาตลอดถึงสถานการณ์ที่วิกฤต์คุณผู้จะเห็นว่าก็จริงแล้วการรักษาจิตระดับนี้ ถ้าหากว่าตัวภูมิจิตไม่เข้มแข็งพอหลายจุดเราจะรักษาได้แต่พอถึงจุดหนึ่งนี่อาจจะรักษาไม่ได้จชงยกตัวอย่างสถานการณ์ปกติธรรมดาในการพลัดพรากสูญเสียของญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยใกล้ชิดอะไรเท่าไหร่ตลอดถึงของคนเราอื่นที่เราพอรู้จักพอคุ้นเคยหรือพอสนิทสนม จิตใจก็จะมีหลักสา ม, มาทถารวมกิจกรรมเหล่านั้นชวยหลือกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะเกิดความสลดจิตสังเวช ท, ที่ก็ตายในเวลาที่ไม่ควรตายแต่ระยะไม่เท่าไหร่มันก็หายไปจากใจเราสแสดงมาตัวสภาวธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเหล่านั้นก็แทกใจจริงแต่ว่ามีปัญญาพอที่จะคุ้มครองจิต เพราะไรเพราะอาการของกิเลสที่ผูกยึดในคนเหล่านั้นไม่ได้มีปริมาณเข้มข้นมากมายอะไรนั้นตั้งหลักได้นิดเดียวแล้วก็ก็จะเหตุเข้าใจผลได้แล้วอาจจะชี้แจงอธิบายบุคคลอื่นปลุกปลอบบุคคลอื่นได้เราึงพบในงานศพ บ, บางแข่งคนที่ปลุกปลอบคนเรื่องกํบบาลังมีปัญหาอายุรุนแรข่าวเดียวกันหรืออาจจะเด็กกว่าได้ซ้ําไป มันก็แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นที่จริงแล้วไม่ได้เจอหนักด้วยตัวเองจึงมีเหตุผลมีสติปัญญาสามารถอธิบายคนอื่นฟังได้แต่เจอโดยตัวเองอาจจะสูญเสียสภาพจิตมากกว่านั้นโดยซ้าไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าความร่าเริงสูญเสียเหล่านั้นเองมันเกิดขึ้นแก่คนที่เราผูกพันเชื่อใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องอยู่ด้วยกัน เมื่อควายหนึ่งเกิดพระพรากจากไปก็อาจจะทนทานไม่ได้ความเศร้าโศกเสียใจก็จะเกิดขึ้นครอบกันอาจจะบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียทรัพย์สินเงินทองข้าวรักษาโรงพยาบาลเป็ น, นต้นเราถึงอาจจะเจ็บป่วยหนักๆขึ้นมานั่นก็แสดงให้นภูมิจิตที่จริงมันมีแต่พอสถานการณ์มาเกิดรุนแรงขึ้นล้วก็เอาไม่ได้ บางครั้งบางคราเป็นการพลาดพราดรุนแรงรวดเร็วกระทันทันแล้วจำนวนมากที่เราเรียกว่าเห็นได้อยู่หลักๆแต่เกิดพลาดพราดจากไปใจที่เคยคิดเคยพิจารณาเคยสวดสาทยายด้วยปีนหาปัจเจกขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บไายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเจ็บไายไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้นีความพราด ของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปคิดมาตั้งนานพิจารณามาตั้งนานศึกษามาตั้งนานเอาก็จริงมันก็อาจจะตั้งหลักไม่ได้เพราธรรมะเหล่านี้จึงสูงสอนในรูปของภาวนาภาวนาก็คือทาให้เพิ่มขึ้นในมีขึ้นในเป็นขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าไม่หวั่นไหว เราเคได้ยินศรัทธาไม่หวั่นไหวความเพียรไม่หวั่นไหวจิตใจไม่หวั่นไหวต้องการมองดูจากอาการสิ่งที่ปรากฏข้างนอกอาคารสถานที่บ้านเรือนต่างๆอะไรก็ตามที่มันสามารถประทะประทางสามารถประทะประทางเรื่องต่างๆได้ถูกโยครองอย่างแรงถูกพายุแรงลมพัดกระโชกมาแรงๆซ้ำซ้ำซัก พอทนทานอยู่ได้ก็ถือว่าไม่หวั่นไหวเมื่อเราเห็นองค์ประกอบแล้วเราจะเห็นว่าอาการความไม่หวั่นไหวนั้นมันจะเกิดขึ้นอยู่สองลักษณะใหญ่ๆลักษณะหนึ่งคือคุณภาพของส่วนประกอบที่เป็นอาคารนั้ น, น, นมีความเข้มแข็งมั่นคงบ่านการก่อสร้างมาอย่างถูกต้อง ไม่มีส่วนบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่งเมื่อเกิดความแข็งแรงมันคลมอีกอย่า ง, งหนึ่งหนึ่งมีลักษณะของการปรับตัวเองไม่ไปประทะประทางไม่ไปต้านทานอะไรมากเกินไปที่เรียกว่ารูปไปตนดามลมไมอคราววาตถะใหญ่ๆเป็นอันมากเราเห็นต้นไม้สองชนิดนี้ชนิดที่เข้มแข็งโดยตัวเองในชนิดที่ลูปได้ สามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความรุนแรงของวาตภัยได้ลักษณะาอารมณ์ที่มากระทบใจคนมันก็จะมีอยู่มีลักษณะอย่างนั้นคือคนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยสองวิธีหลักต่างโวิธีแรกนั้นจะต้องมีความมั่นคงหนักแน่นจริงๆวพนเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดง จะทรงสแสดงถึงความเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยของการแลกการเวลาทรงอุปมาจะไม่อุปมาด้วยต้นไม้ธรรมดาแต่จะอุปมาด้วยภูเขาภูเขาศิลามีแท่งทึบไม่มีโพรงไม่เป็นถ้ำไม่เป็นหลบไม่เป็นอะไรเป็นแท่งทึบเดี๋ยวถูกลมกระโชกมาจะไม่หวั่นไหวด้วยลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ จึ่งแสดงว่าเป็นการพูดเฉพาะลมแต่บางครั้งบางคราววิกฤตการณ์เป็นแรงกว่านั้นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอย่างแรงภูเขาก็แยกได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาได้พึ่งหลักการเหล่านี้แสดงเห็นว่าการฝึกปือนั้นจะต้องฝึกปือจนมีความเข้มแข็งมั่นคงไปโดยลำดับ ยังไม่หวั่นไหวไปในทุกกรณีลักษณะเหล่านี้บางครั้งเนี่ยนอกจากจะเป็นการสั่งสอนให้ศึกษาให้มองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความเป็นธรรมชาติธรรมดาดังกล่าวและปรับใจยอมรับความจริงว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ลวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วเนี่ยยังมองถึงปัญหาที่จะต้องแก้จิต คือเห็นว่าอาการหวั่นไหวของจิตที่จริงมันเกิดมาจากกิเลสทังนั้นเกิดมาจากจิตมีความรักมีความชังอยู่ภายในและอยู่ภายนอกก็ตามเต็มเชื่อมโยงถึงกันจากตัวอย่างที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นถ้าคนที่เกิดพลาดพราสูญเสียลงตายไปนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราใจเราไม่มไปผูกไปยึดวา ญ, ญาิเราเพื่อนเรามิตรเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา ความกระสุนเสียใจก็ไม่เกิดขึ้นหรือไม่ไปผูกไม่ไปยึดว่าเป็นศัตรูของเราความดีอกดีใจที่เห็นเขาตายก็ไม่เกิดขึ้นก็สแสดงว่าใจมันจะมัตยยัติอยู่ทํากลางเป็นอุเบกขาอยู่ได้โดยสภาพของมันระดับหนึง่งแม้คนเหล่านั้นจะไม่รู้อุเบกขาคืออะไรก็ตามแต่ว่ายามใดที่ใจไปเกี่ยวเกาะด้วยความรู้สึกรักชังความวันวาก็จะบังเกิดขึ้น พ้นความวันไว้จริงๆมันจึงมาที่อาการสภาพของจิตเป็นอาการทางจิตประการหนึ่งที่มีความรู้สึกต่อสิ่งเดล่านั้นด้วยอำนาจของความรักโดยอำนาจของความชังโดยอำนาจของความไม่รู้เท่าทันต่งความจริงเช่นอาการกลัวผีเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง เวียนคนอื่นมีความเจริญก้าวหน้าแล้วเกิดความรุกความไม่สบายก็แสดงเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เป็นความโลภความริษยาความไม่พอใจอาการทั้งหมดจึงเป็นอาการของกิเลสเมื่อก็เกิดขึ้นแล้วก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้ว ต, ตัวอย่างปัญหาใหญ่ในใ น, นิวรข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าการฉันทะนิวร เราเจอบ่อยเพราะมันเป็นอารมณ์ของโลกอารมณ์ของชาวโลกชั้นกามาพยจรก์ก็จะมีลักษณะประจักน์นมาความมจิตใจส่วนใหญ่จะหมกมุ่นคลุ้นคิดอยู่ในเรื่องที่น่าคราน่าปรานาน่าพอใจที่เรียกว่ากามคุณจะให้ความสำคัญแก่ตัววัตถุกรรมทั้งห้าประการคือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ท่าได้รู้ เราจะปูปรุงคิดคิดปรุงเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเดียดนั้นใจก็จะข่อยคว้าจะส่ายใจจะถูกกระสิบ้วยแรงของความปรารถนารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกรีดนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องก็กระซิบใจไปเรื่อยเพราะฉะั้นจ้าจึงเรียกตันหาบางทีที่่อชับปาแปลว่าตันหาผู้กระซิบใจ มันบอกมานโน้น้าวมันชี้นำและในที่สุดใจก็จะหลงไหลคล้อยตามไหลตามไปตามการกระซิบกระราบของตัณหาซึ่งปรุงแต่งจิตอยู่ในขณะนั้นตรงแสดงตัวอย่างของบุคคลที่มันเริ่มเสียศูนย์ไปโดยลาดับประการแรกก็คือว่า มองเห็นสิ่งทั้งหลายว่าน่าใคร่หน้าปรารถนาะน่าพอใจอันปเป็นตัวเหตุปัปใจจัยให้เกิดความใคร่ความปรารถนาะความพอใจในอารมณ์ทั้งหลายถ้าใจมันคิดอย่างนี้จากสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้สูดตรงได้ดิ้มได้จับต้องจิตก็จะคอยคว้าเพื่อดูฟังเพงืพ่อดมเพื่อดิ้มเพื่อชิมเพื่อจับต้อง ซึงบางครั้งบางคราวเมืองไทยไม่พอต้องไปต่างประเทศทวีปเอเชียไม่พอต้องไปทวีปโยุโรปอเมริกาเป็นต้นนันแสดงว่าใจมันกระซิบไปดสสปสูสิ่งนั้นสวยๆรูปนั้นสวยๆเสียงนั้นสวยๆมีการแสดงมีทัศการพวกอัญมณีทั้งหลายพวกเพชรอันล้ำค่าพวกอะไรต่ออะไร กูซาไปดูบอกว่าเป็นอาหารตาขอได้ดูเท่านั้นจะไปซื้อค่าดูสมาบักมายกนก่อนเมื่อดูแล้วที่จริงไม่ได้จยุดใจถูกปรุงให้อยากและถ้าถูกกระซิบแรงๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาอีกต่างๆอีกเป็นนอ้นมากเพราะ ว, าวิธีการในโลกจึงเป็นวิธีการที่ล่อ ทงยังไงจะน้มน้าจิตใจของบุคคลให้ไหลมาดูม า, ดมาฟังมาดมมาลิม้มมาชิมมาจับต้องดูก่อนและจากนั้นก็จะใช้จุดที่เขาสัมผัสในขณะเห็นก็จะมีการโหมโฆษณาในขณะฟังก็จะมีการโหมโฆษณาเพื่อตอกย้ำเพืดเน้นย้ำเพื่อเพิ่มปริมาณความปรารถนาขึ้นไปในใจคนในสุดใจมันจะดิน้น แทนที่ต้องการได้ต้องการดูอย่างเดียวก็ไม่ดูอย่างเดียวแล้วมักต้องเอาอย่างอื่นอาจจะต้องถึงก็ซื้อหาหรือซื้อหาไม่ได้ไม่มีกระบังทรัพย์มากพอก็อาจจะประกอบอาถยากรรมตอนภาพเหล่านี้ที่จริงก็เป็นภาพปกติธรรมดาเวล า, าแสดงในทศการของราคาแพงๆจะมีการราับราคาอย่างเข้มแข็งจริงรจังเราก็ได้คําตอบทําไมต้องรับราคาก็เพราะว่าพลกคนบางพวกเนี่ยจะลักจะขโมย ทำไมเขาักเขากมือเพราะเขาอยากได้มากๆก็แสดงว่าเมื่อก่อนที่เดียวใจเขาก็ไม่ได้อยากแต่ว่าใจถูกปรุงขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นความอยากก็ปริมาณนั้นก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะอาการของจิตที่เกิดปรุงขึ้นมาในลักษณะนี้มาถึงจุดหนึ่งจะทรงใช้คาว่าอินทรียสุอสังมุตังเคยจะไม่สมบูรณระวังอินทรีย ตาจะสายไปดูหูจะสายไปฟังจมูกจะสายไปดมลิ้นจะสายไปชิมกายจะสายไปหาสิ่งซึ่งน่าสัมผัสน่าจับต้องและในจุดหนึ่งเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าที่จริงมันก็คุมตัวเองได้ถ้าระดับคุมตัวเองได้ก็กลายเป็นศีลโดยจึงเห็นว่าศีลข้อที่หนึ่งสองสาม เป็นศีลที่บรรเทาความอยากไม่ให้รุนแรงจนถึงกลับไปและเมื่อสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นถามว่าใจมันสงบรึเปล่ามันก็ไม่สงบหรอกเพราะพอถึงจุดหนึ่งพอเป็นศีลแปดศีลข้อที่สามเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นอภ ร, รมคือแทนที่จะห้ามจิตระดับ มีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวก็ห้ามจิตในการเกี่ยวข้องกับก่างเพศสัมพันธ์ไม่ให้อาหารกิดจิตแล้วก็ยกจิตหนีขึ้นไปเร่เร่จนถึงไม่มีแม้ระดับของความคิดซึงก็หมายความว่าเป็นอาการระดับของสมาธิเป็นเรื่องย้อนกระแสทวนกระแสอย่างแรงจิตมันดิ่ n เพื่อกลับไปสู่ชีวิที่เก็บมาแล้วก็พยายามดึงแกมันก็สู้กันไปสู้กันมาก็เปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะบางทีปริมาณธรรมะมีมา่าร้อก็อาจะชนะได้ระดับหนึง่งแต่ถจาแพยแพ้เพราะงั้นการปฏิบัติทางจิตจึงไม่ได้เรียบร้อยแต่มันขรูกระมีหลุมบอ่อหกล้ม6กลุกประสบปัญหาต่างๆน า, นานาสารพัด จึงทรงสอนให้ใช้ความพยายามใช้ความบดลั้นใช้ความบดทนเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งของกุณรรมขึ้นภายในใจที่จะทำยังไงว่าอย่าให้ถึงใจมันก็สายเพราะแต่ขาดการสารวมระวังแล้วมันเป็นการเพิ่มปริมาณกิเลสขึ้นมมนจะคุมยากที่พระเจ้าทรงสแสดงพวกกระ บ, บายจมุก คือแต่ละอย่างนั้นมันไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนั้นจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ตามอบายามุกก็จะไปหมดครบทั้งหกเจ็ดข้อเขาถ้าไปมัวมองหมก ม, มุ่นอยู่ตรงนั้นอาจจะเริ่มจากเที่ยวกลางคืนอาจจะเริ่มจากการดื่มสุราอาจจะเริ่มจากการครบคนชั่วเป็นมิตรอาจจะเริ่มจากการเล่นการพานันเริ่มตรงไหนก่อนไม่สาคัญน่มันเข้าทางเสื่อมนะมันก็ไหลไปเรื่อย เพราะอะไรเพราะในที่นั้นเองมันมีอารมณ์ที่ยั่วยุยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆน้มนาจิตใจของบุคคลให้ไม่สามารถสำรวจระวังในการดูในการฟังในการดมในการลิ้มในการชิมได้ถูกบังคับถูกปรักสัยถูกเสืกสายให้ให้ให้ดูให้ฟังให้ดมให้ลิ้มให้ชิมไม่จับต้อง ใช้เงินทองอะไรแต่ไรติดตามมาอีกมากมายไกลก่อเป็นปัญหาสังคมโลกมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ยิ่งมีความสลับสะท้อนมากขึ้นกว่า น, นั้นนั้นแสดงเห็นถึงอะไรแสดงว่าใจเนี่ยไปกําหนดว่าสิ่งนั้นสวยรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะติด น, นั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับจ้องจึงไม่สํารวงระวังเมื่อไม่มีให้ดูก็สายไปดู ไม่มีหฟังก็สายไปฟังไม่มีให้ดมก็สายไปดมไม่มีลิ้มก็สายไปลิม้มไม่มีให้จับต้องก็สายไปจับท้องเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันจนบางครั้งเรามีสแสดงความชื่นชมตกคนไปช็อปปิง้งต่างประเทศจ่ายเงินเป็นสิบสิบล้านสี่ห้าสิบล้านสแสดงว่าเก่งสามารถมีเงินใช้ใจ่ายถ้ามองในแง่กระแสโลกมันก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้ามองมองในแง่ของกระแสธรรมแสดงถึงความพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสสาดการควบคุมตัวเองถูกกิเลสบงการไปเรียบร้อยก็อาจจะรวยโลกิยัพั์แต่ไม่มีโลกไม่มีอริยาสั์ที่จะเป็นหลักข้ามยันจิตใ จ, จของตัวเองให้มีความเข้มแข็งมั่นคงไม่อ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์เราดั น, น เพไม่เสมอมาวางแล้วเป็นยังไงมันจะอามณการตะ ก, กราตกราบทงใช้คำว่าโพชนามหิอมัตตันยุงคือไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นจะถูกบริโภคในลักษณะที่บูมมามตะการกาตะกรามการควบคุมขาดการบัญญับัญญังภาพก็มูมามตาการาตะกราบบางทีก็คือติดเบ็ด ภของปลาคุบเยื่อที่พุ่งก็ไปดูเฉพาะเหยื่อโดยไม่ได้มองไปที่สายเบ็ดหรือมองไม่มองไปที่เบ็ดเห็ได้จริงอาการของกิเลสที่เราเห็นได้ชัดว่าปลานั้นถูกความอยากเข้าครอบงาใจไม่ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเราภาพเห็นภาพของนกที่จิตบ่วงเห็นภาพของปลาที่ติดลอบติดใส่ติดอะไรต่รตางๆ ตลอต้องเห็นคนที่ตก อ, อยู่ในหลุมบ่อของปัญหาทั้งหลายนั้นแสดงอาการของจิตที่ถูกกุ้งกุ่มอย่างรุนแรงด้วยอาํานาจของความปราราจนกลายเป็นอาการตะกราตะกรามมีตัวอย่างบุคคลเป็นอันมากที่ขาดการสรํารวมระหว่างอินทรีย์แล้วก็มีลักษณะบูมามตะกะตะกรากรรมอย่างนั้น แล้วก็ตายไปเพราะการดูเพราะการฟังเพราะการดมเพราะการลิ้มเพราะการชิมเพราะการจับต้องตายมามากต่อมากแล้วเรื่องเดียวแต่นั้นเองเราจะว่าบางอย่างตรงนี้ถ้าเราไม่อยากดูก็ไม่ตายตรงนี้ไม่อยากฟังก็ไม่ตายอย่างนี้ไม่อยากกินก็ไม่ตายไม่อยากดมก็ไม่ตายมันความอยากมันไปกระตุ้นนิดเดียเองแต่ว่ากลับทําลายชีวิตทําลายคุณธรรมความดี บางคนตั้งใจศึกษาประวฝึกปฏิบัติมาเป็นเวลานานรูน้มากแกอารมณ์ปุ๊บเดียวมันก็สร้างปาัญหาอะไรได้เยอะแล้วความเพียรพยายามซึ่งจะต่อต้านจะต้านทานกิเลต้านทานอารมณ์ทั้งหลายทรงใช้คำว่าความเพียรมันจะหย่อนความเพียรมันจะต่ำความเพียนจะต่ำก็มาความกิเลมันจะมาก ความเกียดคร้านจะมากความเห็นแก่ตัวจะมากความติดสนุกสนานมันจะมากใจมันก็ไหลเลยสูญเสียการทรงตัวทรงแสดงสภาพ ป, ปิดในลักษณะนี้ว่าตังเวปะสหติมาโรวาโตรุขัางวารุพลังจิตใจของบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นริมปุกเขาขาดพอถูกพายุใหญ่พัดมามัน โทษมันก็พังลงดังนั้นฐานที่ตั้งของจิตจึงมีความสำคัญว่าจิตนั้นเราจะตั้งไว้ที่ไหนจึงจะมีพร้อมสมบูรณ์ทั้งภูมิรู้ทั้งภูมิธรรมทั้งภูมิจิตแล้วคือจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีต่เราจะเห็นว่าบุคคลประเภทเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตตั้งมั่น ระยบุคคลประเภทที่เริ่มไม่หวั่นไหวแล้วในอารมณ์ต่างๆที่เคยหวั่นไหวมาเป็นอันมากนั้นก็เพราะท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวในไตรทิคขาเมื่อตั้งมั่นไม่หวั่นไหวการโยคลอดจากข้างนอกมันก็ทําอะไรไม่ได้ เพราะาการที่จะวันไหวไปนั้นปัญหามันอยู่จากตัวไหนคือใจเราเป็นหลักการทาคัญมากกว่าเงื่อนไขปัจจัยจากภายนอกการภาวนาการอบรมการกระทําให้มากการกระทํำบ่อยๆในการเสริมสร้างคุณธรรมขึ้นไปในจิตใจโดยวิธีการต่างๆตาม ท, ที่ทรงจำแนกแสดงไว้นั้นจึงเป็นอุบายวิธีที่มีความหลากหลายแต่มีจุดหมายเป็นอย่างเดียวกัน จะเสริมสร้างให้เกิดอาการกายวิชาที่สะอาดอาการที่สงบภายในและอาการสว่างด้วยปัญญาภายในใจเป็นการอยู่อย่างมีหลักอย่างมีเกณฑ์จิตใจจะมีความหนักแน่นอยู่ในกุศลคุณธรรมความดีแม้จะถูกโยกคลอนมาจากข้างนอกหากไม่รุนแรงหากโคมจนเกินไปแล้วก็สามารถรักษาตัวเองไว้ได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ปัจจัยขางนอกจะเป็นยังไงก็ตามก็จะไม่มีความหวั่นไหวนั่นคือชีวิตระดับอุปโการในทางพระพุทธศาสนาต่อจต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป